ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะลักษณะของสัมมาวาจาคือเทอนั้นละมุสาวาดเว้นขาดจากมุสาวาดพูดแต่ความจริงรักษาความสัตว์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลก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 อุดหนุนคนที่ร้อมเรียงกันอยู่ให้ร้อมเรียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการร้อมเรียงเป็นคนยินดีในการร้อมเรียงเป็นคนพอใจในการร้อมเรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความร้อมเรียงกัน <hein? S 1> <ๆ>เธอนั้นละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบ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 ภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบไปด้วยองค์ประกอบเหล่านี้แลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติดเตียนลักษณะของวาจาของสัตว์บุรุษและอะสัตว์บุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบ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 คือแม้ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกถามถึงความดีของบุคคลอื่นจังหน้าเข้าก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนไข้เขวแล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่ละเอียดเต็มที่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 ก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนควยเข ว, ขวแล้วกล่าวความไม่ดีของตนอย่างไม่ละเอียดเต็มที่ข้อนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีภิกษุตรองหลายคนไม่ดีอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตนก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะต้องกล่าวทำไม เมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้าก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนค่อยเขวกล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยละเอียดก่อนนี้พึงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีพิสูจน์ตรอหลายบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แหละเป็นที่รู้กันว่า เป็นอสัตวบุรุษคือคนไม่ดีพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสีประการต่อไปนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตวบุรุษคือคนดี4ประการคือสัตบุรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไม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 ก็ไม่นำเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนบิดพริว้วแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยละเอียดเต็มที่ข้อนี้พึงรู้ตัวว่าคนคนนี้เป็นคนดีพิสูจ์ทั้งหลายคนดีอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึง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 แต่ในทาตกรรมกรและขนใช้ครั้นล่วงไปโดยสมัยอื่นพระอาศัยความคุ้นเคยกันหญิงสะภายนั้นก็ตวาดแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างแม้แต่กัตริมีว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรหนังนี้นี้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้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 เพราะอาศัยความคุ้นเคยกันเธอก็กล่าวตาวาดอาจารย์บ้างอุปชาบ้างว่าหลีไปหลีไปพวกท่านจะรู้อะไรดังนี้ิกสุดทั้งหลายประเหนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะอยู่อย่างมีจิตเสมอ ก, กันกับหญิงสะพ้ายใหม่ผู้มาแล้วไม่นานดังนี้ ออกเธทั้งหลายพึงทำการสำเนียกอย่างนี้หลักในการวินิชฉัยในการที่จะทำกรรม3มสถานได้ตรัสกับพระราหุลอย่างนี้ว่าราหุลเธอใกล้จะกระทำกรรมใดด้วยวาจาพึงพิจารณากรรมคือเจตนานั้นเสียก่อนว่า วจีกรรมที่เราใกล้จะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างบเบียดเบียนผู้อื่นบ้างบเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกาไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอะดังนี้ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ไซเธอไม่พึงกระทำ พุทกรรมคือเจตนาทางวาจาชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าวจีกรรมที่เราใคร่จะกระทํานี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นเจตนาทางวาจีที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกรรมไรมีสุขเป็นวิบากหนังนี้ไซเธอพึงกระทำวจีกรรมชนิดนั้นราหุนเมื่อเธอกําลังกระทำกรรมใดด้วยวาจาอยู่พึงพิจารณากมนั้นว่าวาจีกรรมที่เรากําลังกระทำอยู่นี้ เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างบิดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวัจิกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นแล้วไซเธอเพิ่งเลิกละวัจีกรรมชนิดนั้นเสีย ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าวิจีกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวิจีกรรมที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ใช้ เธอพึงเร่งเพิ่มกระทําวจีกรรมชนิดนั้นราหุลเมื่อเธอกระทํากรรมใดแล้วด้วยวาจาพึงพิจารณาการกระทําคือกรรมนั้นว่าวาจีกรรมที่เรากระทําไปแล้วนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เปลี่ยนเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นว จ, จีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นวิบากหรือไม่เนอถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ไซเธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทําให้เป็นของหงายซึ่งว จ, จีกรรมในพระาศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติประมาจัน ผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงครั้นเปิดเผยครั้นกระทำให้เป็นของหงายแล้วพึงถึงซึ่งความสำรวมระวังต่อไปถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่าวิจิกรรมที่เรากระทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเปิดเบีย น, น, นทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากหนังนีไซัยเธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดหลักในการวินิจฉัยกายกรรม ทั้งสามสถานทั้งก่อนระหว่างและหลังได้ตรัสกับพระราหุลอย่างนี้ว่าราหุลเธอใกล้จะกระทำกรรมใดด้วยกายพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราใกล้จะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง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 ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่าเจตนาทางกายที่เราใคร่จะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซ เธอพึงกระทํำกายกรรมชนิดนั้นและเมื่อเธอกระทํากรรมใดอยู่ด้วยทางกายพึงพิจารณากรรำคือเจตนานั้นว่าเจตนาทางกายที่เรากําลังกระทําอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ไซเธอพึงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสียถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่าการกระทำทางกาย ที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากหนึ่งนี้ไซเธอพึงเร่งเพิ่มการกระทำทางกายชนิดนั้นเมื่อ เธอกระทำกรรมใดแล้วด้วยกายพึงพิจารณาว่าการกระทำทางกายที่เราได้กระทำไปแล้วนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นวิบากหรือไม่หนอ ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ตังนี้ซช้เธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทำให้เป็นของหงายซึ่งการกระทําทางกายนั้นในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงครั้นเปิดเผยครั้นกระทําให้เป็นของหงายแล้ว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 มีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดลักษณะการปฏิบัติที่โดยไม่ต้องมีเจตนาเปรียบเทียบกับแม่ไก่พิกษจ์ทั้งหลาย เมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่โดยแน่นอนเธอไม่ต้องปรารถนาว่าโอ๋นาจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานเถิดดังนี้จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานได้เป็นแน่ ข้อนั้นพระเหตุไะไรเล่าพระเหตุว่าเธอมีการเจริญสติปัฏฐานสี่สมมติฐานสอิทธิบาทสอิน 5, รีห้าพละหโพชฌงเจ็และอริยมรรคมีองค์8เปรียบเหมือนฟองไข่8ฟองส0บฟองหรือส2สองฟองอันแม่ไก่กอกดีแล้ว ให้ทั่วดีแล้วคือฟักดีแล้วโดยแน่นอนแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าโอหนอลูกไก่ของเราจงทําลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสบัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทําลายกระเปาะด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปาก ออกมาได้โดยสวัสดีโดยแท้ฉันไหนก็ฉันนั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะ